ถ้าในแล้วในสิ่งที่สลายไปก็มีปัจจิตะลักษณะคือลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวของสิ่งนั้นอีกโดยสามมันนะรูปจะยี่สิบ็ดรูปยี่บแปดรูปกี่รูปก็ช่างเถอะหรือมีรูปแค่แปดรูปมีรูปเพิ่มมาเป็นเก้ารูปมีรูปสิบรูปหรือมีรูปเพิ่มไปเต็มสุดคือประมาณยี่สเจ็ดยิบแปดรูปรูปเหล่านั้นนะโดยสามมันของมันคือสลายไปแต่ถ้ามาแยกเป็นสภาวะก็มานนี่เป็นสภาวะของ ปัทวีนี้เป็นสภาวะของอาโปนี้เป็นสภาวะของวายโยเป็นต้นเนี่ยนะก็แยกเป็นสภาวะเป็นของแต่ละตัวแต่ละตัวเพราะฉนนั้ถ้าใช้คําว่ารูปปัจขันแปลว่าพูดโดยสามั ญ, ญลักษณะแต่สามั ญ, ญลักษณะมีที่ใดที่นั่นอมปัจจตลักษณะเอาไว้แล้วถ้าพูดปัจจตลักษณะคือลักษณะเฉพาะตัวก็เท่ากับแสดงสามั ญ, ญลักษณะโดยโดยหะโดยอะไรนะ โดยคำที่เป็นอุปจาระเนี่ยนะนะหรือโดยหาระนั่นแหละนะ <c oughs> ทีนี้ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันรูปอย่างดีนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอะไรโสมนัสเวทนารูปปานกลางทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่ง <c oughs> อุเบกขาถ้ารูปอย่างเลว <c oughs> โทมันัส สมมติถ้าเอาจำเป็นต้องเอาข้าวบูดให้ทานเนี่ยนะเรายิ้มออกไหมเสียใจบวกกับมหากุศลที่เป็นอุเบกขาเพราะข้าวมันมันข้าวบูดเอาข้าวบูดให้ทานเนี่นะแต่ว่าถ้าไม่ให้คนนั้นจะอดตายมันก็มีอยู่แค่เนี้เพราะะั้นสรุปว่ารูปไม่ดีเนี่ยถึงเอาไปทํากุศลก็ยังเป็นเหตุใกล้ของโทมนัทใครที่รักสวยรักงามเอาดอกไม้เหี่ยวไปบูชาพระเจเดีย์ไหมแต่ถ้ามันไม่มีอะไรจําเป็น ก็ต <three> ้องเอาแต่ว่ามันผามาปลื้มไหมยิ้มไหมเอาไหมไม่ที่ประเทศศรีลังกานะ่ยเขาเขาาไม่จะไม่ถวายดอกไม้เป็นแบบนี้หรอกคือเราต้องคิดแบบเขาอะนะเขาบอกว่าทำไมคนศรีลังกาจึงเอาแต่เฉพาะดอกอย่างเดียวเอาเฉพาะที่ที่เป็นดอกนะเขาจะตัดตรงก้านหมดเลยเขาเอาแต่ดอกมาตั้งตั้งเรียงเรียงกันเขาถือว่า พระพุทธเจ้าหมดเยื่อใยในวัตตะบทแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่บูชาก็ต้องเป็นดอกไม้ที่ไม่มีเยื่อใยเอาไั้กันนะก็เอาไปบูชาพระพุทธเจ้าแต่ของเราจะแต่งยังไงให้มันบานนานที่สุดเนี่ยนี่คือของไทยเหรนะแต่ก็วัฒนธรรมคนละอย่างกันนะนะเราก็คิดไม่เหมือนกันแต่ก็สรุปว่าทั้งคู่ก็มุ่งบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันนะนะนี่ยนะนี่ต่อไปมาดูว่าสรปว่าเวรูปเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา โดยที่สุดแม้แต่ทํากุศลใช่ไหมบางครั้งเนี่ยทยทธรรมของเราเนี่ยเป็นที่พอใจของเรานะทาบุญแล้วโสมนัสบางทีถ้าทายธรรมไม่ถูกใจเลยแต่อย่างเดียวเนี่ยนะทำบุญก็อุเ บ, บกขนะาสลับกับโทมนัสเนี่ยอุเบกขาสลับกับโทมานัสเรามาสังเกตดูนะส ม, มุท tha เขาจะทําบุญด้วยเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านาทีเนี่ยนะผู้ที่ทำบุญโดยมากเป็นไง <c oughs> โอ้โยโธมนัทกับกุศลประเภทอุเบขาแต่หนักไปทางโธมนัทโอ้ยเหลือแค่สิบห้านาทีจะทำยังไงอะไรกันะนะก็เลยดูถ้าบุญก็มีนะแต่ว่าถ้าเทียบกับโทมนัทดูโทมนัทจะทำกิจมากกว่านะี่นะแล้วก็พวกเหตุการณ์สถานที่เกี่ยวกับเรื่องของรูปทั้งหลายถือว่าเป็นตัวที่สำคัญมากต่อเวทนาใครที่เป็นนักพิจารณารูปมากนะเวทนาจะไม่ใช่ของยาก พอเห็นแต่รูปรูปอย่างดีเนี่ยนะรูปอย่างดีรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นโสมนัสเวทนาถ้ารูปอย่างเลวรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นโทมนัสเวทนาถ้ารูปแบบทั่วๆไปธรรมดาก็เป็นอุเบกขาเวทนาโดยที่สุดแม้กระทั่งเอารูปของรูปของหลานก็แล้วกันถ้าลูกหลานแต่งตัวมาอย่างดียิ้ม่ย้มแจ่มใสคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นลุงเป็นอะไรเห็นแล้วก็ยิ้มเลยใช่ไหมถ้ามาแบบเลือดโชกเข้ามาเลย โ, โหใจนี่แป้วเลยนะถ้าแบบเฉยๆนะกําลังงัวงเงียกําลังตื่นนอนมาเนี่ยก็เฉยๆใช่ไหมก็แล้วแต่นะเรื่องรูปเนี่ยมันสําคัญมากมันมีอิทธิพลต่อเวทนาสูงมากนะนะอย่างหนังสือเล่มเดียวกันจัดรูปแบบรูปปกอะไรสวยงามมากเห็นแนละ้วโศมนัดเลยใช่เนื้อหาเหมือนกันนั่นแหละแต่แหววเล่มเก่าเหลือเกินเนี่ยนะซื้อมาสามปีแล้วห้าปีแล้วเนี่ยนะใช้มันจนยับหมดเลยเห็นแล้วเป็นยังไง ชักโทรมนัดอยู่เป็นกันนะเล่มเดียวกันนี่ยังอ่านได้แต่ว่ามันกรุ่งกระริ้งเต็มทีและไอ้ที่เขาเย็บเย็บไว้เนี่ยหลุดไปตั้งเยอะแล้วอย่างนี้ก็เห็นแล้วก็โทรมนัดเลยนะถ้าเห็นแบบปานเก่าอากา่กงเใหม่เก่งเก่าก็อุเบกขาในร่างกายของเราก็เหมือนกันในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะถ้ายังดีอยู่ก็โสมมนัดถ้าเลวลงไปสุดโสมเมื่อไหรก่ก็โทรมนัดเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากป่วยบ่อยนี่จึงมักโทรมานัดบ่อย ทำไมจึงโทรมานัทบ่อยพอรูปมันไม่ค่อยดีอะจะให้เขาโศมานัทเพราะคนอายุมากจึงไม่ค่อยยิ้มนะะไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยชื่นอะไรหรอกเพราะอะไรเพราะมันมีแต่คิดถึงอะไรก็ไม่มีเจริญขึ้นเลยมีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงเนี่ยนก็เลยโทมานัทได้บ่อยมากออื เพา ะ, ะก็บอกว่าอายุมากขึ้นดุ ข, ขึ้นอะไรเงี้ยนะจริงๆก็คือมันก็น่าเห็นใจนะเพราะว่ารูปมันเสียหายไปตั้งเยอะแล้วนะจะให้มานั่งยิ้มแย้มสดใสแบบคนกําลังรูปจเจริญเติบโตได้ยังไงเพราะรูปมันเสื่อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย เ, อย เ, อยเอยนี่ยรูปนี้เป็นเหตุใกล้ของเวทนาถ้าเป็นผู้ที่เป็นคนที่ชอบอะไรประเภทมองแบบสะท้อนบ่อยๆเนี่ยนะเห็นรูปปั๊บรู้เวทนาได้เลย ก็อย่างที่ที่เราซื้อของไปฝากคนอื่นเนี่ยนะเรารู้ไหมว่าถ้าซื้อของอันนี้ไปเขาต้องดีใจรู้ไหมถ้าเอาของอันนี้ไปก็ต้องไล่เราออกบ้านแน่นอนอย่างนี้นพอรู้ไหมอย่างนี้นรู้นะนะถ้าเอาของแบบนี้ไปเขาก็เออพอจะคุยด้วยกับเราบ้างเหมือนกันแต่เวลาจํากัดเหลือเกินอย่างนี้นะทันจากรูปทั้งหลายก็สามารถที่จะดูเวทนาได้เลยเนี่ยนะดูเวทนาได้เลยดูจากรูปจะรู้เวทนา แต่ต้องเป็นคนที่มองอะไรแบบมองแบบสะท้อนเนี่ยนะมองแบบสะท้อนจากภายในก็ได้จากภายนอกก็ได้อันนี้เวทนาขันนะของเวทนาขันเนี่ยน่าจะเข้าใจไม่ยากสักเท่าไหร่ใช่ไหมสัญญาขันยากหรือง่ายอะไรซับซ้อนแต่อย่าเพิ่งสับซอนกันแล้วกันอสัญญาขันเนี่ยนะ ก็ทั่วๆไปจะอธิบายรูปคู่กับกุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเช่นกรมมาสัญญาพยาบาทสัญญาและวิเหิงสาสัญญาพูดแบบปกติทั่วๆไปนะถ้ารูปอย่างดีเลยการมาสัญญาจะเกิดถ้ารูปที่ที่น่าปรานานะเป็นที่ตั้งแห่งการมมาสัญญาเพราะเห็นปั๊บชอบเลยแต่ถ้ารูปไม่ดี โทษะก็เกิดเป็นพยาบาทสัญญาไอ้ไม่ดีด้วยแล้วเราต้องเข้าไปจัดการกับมันอันนี้เป็นลักษณะของวิหิงสาสัญญาต้องเข้าไปจัดแจงต้องเข้าไปจัดการเพราในหนึ่งอารมณ์เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งการมาสัญญาเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาทสัญญาเป็นที่ตั้งแห่งวิหิงสาสัญญาเนี่ยนะก็คือกุศลอะ อ, อะกุศลสัญญานั่นเองถ้าเป็นไปกับกุศลสัญญาล่ะ เห็นปั๊บเนคคำมะสัญญาเห็นปั๊บก็เมตตาเป็นอัพยาปาธาสัญญาเห็นแล้วเป็นกรุณาเป็นอวิหิงสาสัญญานี่นี่แบบทั่วๆไปทีนี้ในส่วนการมะเนคคำมะสัญญาก็มาแบ่งอีกว่านี้เป็นไปกับกสินนะเป็นอะไรกสินกสินสีขาวกสินสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นต้นเนะพวกกสินดินกสินน้ำกสินลมกสินไฟกสินเหล่านี้อาศัยสัญญาเป็นเป็นหลักในการเจริญ หรือแม้กระทั่งการใส่ใจโดยอสุภาษเนี่ยนะก็เป็นไปกับสัญญาเป็นหลักเรียกว่าอสุภาสัญญาอสุภาสัญญาแม้แต่ระดับสูงเนี่ยนะปัญญาระดับสูงก็ยังพูดอธิบายแบบสัญญาด้วยเช่นอนิจจสัญญาสำคัญหมายว่าไม่เที่ยงสาคัญหมายว่าไม่เที่ยงทุกสัญญาสาคัญหมายว่าเป็นทุกอนัตตะสัญญาสาคัญหมายว่าเป็น เป็นอะไรเป็นอนัตตาหรือไม่ใช่ตนเนี่ยนะนันอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัญญาขันสัญญานั้นถ้าผู้ใดเจริญเอาเป็นหลักเลยก็สามารถได้ทั้งอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิเนี่ยนะเป็นได้ทั้งอุปจาระและอัปปนาเอ่อเพราะว่าสัญญาบางอย่างเป็นอุปจาระสมาธิสัญญาบางอย่างก็เป็นอัปปนาสมาธิอย่างเช่นพวกกสินทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของ ของอะไรกรสินทั้งหลายก็เป็นทั้งอุปจารเป็นอารมณ์ของอุปจาระและอัปปนาเนี่ยนะอันนี้ก็ด้วยอนุภาพของสัญญาคนที่เจริญสมถะดีแม่นเออเจริญเนี่ยนะโดยมากสัญญาเนี่ยแม่นยำ ม, มากเนี่ยนะสัญญาแต่สัญญานี้ต้องเกิดร่วมกับเวทนาชนิดใดคนที่จะเจริญกสินได้เนี่ยนะต้องเป็นไปกับอุเบกขาเวทนาหรือ สมนัตเวทนาไม่ใช่เจริญคู่กับโทมนัสเวทนาเนี่ยนะก็วิเคราะห์ไปก็จะเห็นพวกกระสินทั้งหลายได้พวกเวทนาสัญญาได้นี่มาดูท่าสังขารสังขารขันทั้งหลายเนี่ยนะดูจากอะไรทั่วๆไปก็เน้นที่เจตนาเป็นพิเศษเนี่ยนะเจตนาในรูปเจตนาในเสียงในกลิ่นในรสในโตภตาภะและธรรมารม เจตนาในสีอย่างเดียวก็แบ่งออกเป็นสามอย่างที่อย่างว่านะหนึ่งเห็นดอกไม้ปับ๊บบางคนนี่มีเจตนาจะต้องไปจัดเองบางคนก็ใช้วาจาเป็นเครื่องจัดบางคนก็แอบจัดในใจ อ, อันนี้ก็แบ่งออกเป็นสามแล้วใช่ไหมอันนี้คือเจตนานะั้นมีดอกไม้เป็นอารมณ์นะี่บางคนโอ้ต้องจัดเองแต่งเองเนี่ยเอานั่นออกก็กรรไกรอันหนึ่งก็ตัดตๆดตไปแล้วก็แต่งแต่งแต่อันนี้เป็นกายสัเจตนา เพราะเจตนาเป็นเหตุให้สัมปยุต ธ, ธรรมขอบคับเป็นเหตุให้รูปเนี่ยนะขยับตัวก็มีการตัดแต่งบางคนนี่จัดทางวาจาอย่างเดียวว่าทางกายเมื่อไหร่นะรู้ว่าคนอื่นเขาจัดให้สวยได้แต่จัดเองไม่สวยแน่นอนเนี่ยนะก็เลยใช้คนอื่นจัดก็เรียกว่าจัดทางวาจาบางคนก็ได้แต่ฝันเออเนี่ยนะถ้าตั้งอยู่ตรงนั้นจะงามมากตั้งที่แต่ในใจพายเนี่ยในพะวกก็เป็นมโนสันเจตนาเกี่ยวกับเรื่องเสียงเหมือนกันนะเรื่องเสียงเนี่ย นะก็ไปเอารูปไปจัดแจงในเรื่องเสียงเอาวาจาไปจัดแจงเรื่องเสียงก็คีดไปจัดแจงในเรื่องเสียงมันลักษณะของเจตนาคือเข้าไปจัดแจงสิ่งนั้นๆเนี่ย น, นะอันนี้ลักษณะของเจตนาคือเข้าไปจัดแจงเขานิยมแปลว่าชักชวนและกระตุนต้นเตือนสัมปะคุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์ก็คือเป็นลักษณะเป็นผู้จัดการนะนะเข้าไปจัดการเข้าไปทำทั้งโดยทางกายทางวาจาและทางใจ อันนี้เป็นลักษณะของสังขารขันทีนี้จัดการด้วยกุศลหรืออกุศลจัดการด้วยอกุศลเจตสิกหรือว่าจัดการด้วยกุศลเจตสิกอีกเรื่องหนึ่งละนะก็ค่อยๆแยกไปซึ่งจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องจัดแจงด้วยกุศลหรืออกุศลให้พิสดารในว่าด้วยการกําหนดปัจจัยเนี่ยนะเ <c oughs> พราะเราจะรู้ชัดว่าเป็นกุศลอกุศลได้ต่อเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเป็นถ้าไม่เข้าใจเรื่องปัจจัยเราจะไม่รู้หรอกว่า เหตุของกุศลเป็นอย่างไรเหตุของอกุศลนั้นเป็นอย่างไรเหตุของวิบากเป็นอย่างไรเหตุของกิริยานั้นเป็นอย่างไรส่วนวิญญาณอคตนี้ก็ไม่ยากนยวิญญาณคตเห็นนี่ยากัหมการเห็นการได้ยินการรู้เปล่นรู้รสรู้โภตาภาการคิดทั้งหลายพวกนี้เป็นวิญญาณอคติทั้งหลายพระโยคาวจรรูปหนึ่งกาหนด นามรูปโดยความเกี่ยวกับขันห้าอย่างนี้รูปประขันตามดังกล่าวมานี้ชื่อว่ารูปนามขันสี่เป็นนามเนี่ยนะคือตอนเล่มก่อนเนี่ยนะท่านก็พูดเรื่องขันอายตนะธาตพูดแบบพิสดารมากเพราะฉะนั้นในพอมาประชิดนี้อ่นะทิฏฐิวิสุทธินีนี้จึงไปยอ่อวิชาว่าด้วยขันอายตนะธาตเ่านั้นย่อมาให้เหลือเป็นแค่แค่รูปนาม อันนะก็คือสรุปเป็นเหมือนกันเถอะเอามาสรุปเป็นพอสรุปเสร็จก็ขยายต่อสรุปเพื่อขยายขยายเพื่อสรุปเลยนะเพราะพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมแบบย่อก็มีแบบพิสดารก็มีทั้งย่อทั้งพิสดารเนี่ยนะทีนี้มาดูการกําหนดนามรูปแบบสังเขวะว่าพโยคาวจรอีกผู้หนึ่งกําหนดถือเอานามรูปในอัตภาพนี้แหละโดยย่อ อย่างนี้ว่าอัตภาพนะก็กํากนหนดตัวเองก่อนนะนะรูปอย่างใดยอย่างหนึ่งคือภูตรูปสีและรูปอาศัยมหาภูตรูปสีทั้งหมดเป็นรูปเช่นเดียวกันกาหนดถือเอามานายตนะและส่วนหนึ่งแห่งธรรมายตนะว่าเป็นนามแล้วกําหนดนามรูปโดยย่อว่านามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยดังประการมานี้เรียกว่านามรูปก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าฟังแล้วก็เข้าใจเลยเข้าใจเลยใช่ไหมไม่ยากแต่ว่า ทำยังไงความเข้าใจอันนี้มีตลอดเวลาอันนั้นเหมือนกับแบบเนี่ยดูนาฬิกาดูเมื่อไหรเราก็ดูเป็นเลยอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันทําไมขันท่าอยัยตนะอย่างนี้เห็นยังไงก็เป็นไปกับคําสอนอย่างนี้ได้ตลอดเวลาเนี่ยนะบางคนก็บอกโอ้นี่มันใช้สัญญาทั้งนั้นเลยปฏิบัติเหมืันกันนะจําเอาทั้งนั้นนะเาานี่ยนะมาคิดนี่คิดเอานี่จําเอาว่าไปตามตัวอักษร ก็ไปเจริญดูแล้วก็จะเข้าใจเองนั่นแหละว่าเป็นการคิดตามคําสอนตามแนวคําสอนเนี่ยมันเสียหายตรงไหนเห็นไหมก็คนที่ศึกษาในแนวนี้เนี่ยเขามาบอกตรงๆเลยถ้าไปเล่าให้ที่อื่นฟังนะเขาจะเขาไม่ค่อยชอบหรอกเขาไม่สนุกหรอกเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะพูดให้คนอื่นฟังเนี่อรวังนิดหนึ่งแต่ให้รู้เถอะว่าถ้ามีคําถามว่าถ้าเราคิดแบบนี้คิดตามคําสอนอย่างนี้แล้วช่วยเราให้พ้นทุกได้ไหมอันนี้คือตั้งคําถามเราก่อน สองถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วมีทางเลือกอื่นอีกไหมสองถ้าทางเลือกอื่นแล้วผลที่ได้รับควรจะเป็นอย่างไรถ้าคิดตามแนวนี้ถ้าคิดมากแล้วได้คุณนะประโยชน์อย่างไรอันนี้เราต้องต้อ ง, ต, องต้องกําหนดแยกแยะของเราเองให้เป็นถ้าเรากําหนดวิเคราะห์ในส่วนนี้ไม่เป็น <c oughs> การเจริญกุศลธรรมระดับสูง <c oughs> เป็นไปไม่ได้เนะเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะไปเจริญได้อย่างยาวอย่างต่อเนื่องก็ เป็นไปไม่ได้เพราะว่ากําหนดประโยชน์และม่ใช่ประโยชน์ไม่ออกเพราะว่าการเจริญอย่างนี้เนี่ยนะในปัญญานิเทศวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าต้องรู้จักอายะโกศนและอปาโยโกศนและอุปาโยโกศนโกศนกสนอย่างนะโกศนแปลว่าฉลาดความฉลาดอายะโกศนแปลว่าฉลาดในความเจริญอปาโยโกศนแปลว่าฉลาดในความเสื่อม อุบายโกศลก็คือฉลาดในอุบายวิธีการต่างๆนะเหตุก็คือสรุปว่าชรู้ว่าเหตุแห่งความเจริญเป็นยังไงเหตุแห่งความเสื่อมเป็นยังไงแล้วถ้าได้เกี่ยวข้องกับความเสื่อมแก่ยังไงให้เป็นความเจริญถ้าอยู่กับความเจริญเนี่ยทายังไงให้เจริญต่อไปโดยไม่เสื่อมพวกนี้แหละต้องเป็นผู้ที่รู้จักอุบายการเจริญสมถาวิปัสสนาการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้จะต้องมีความฉลาดทั้ง อายะโกศนคือฉลาดในความเจริญอปายะโกศนฉลาดในความเสื่อมและอุปายะโกศนคือฉลาดในวิธีการอุบายอย่างฉักพลันถ้ากล่าวเพิ่มเนี่ยนะในในวิสุทธิมรรคที่เราพูดเนี่ยวิธีกําหนดนามรูปอยู่6วิธีนะที่ผ่านมา6วิธีมีอะไรบ้างทวนหนึ่งวิธีที่1สมถญาณิกออกออกจากฌานแล้วเจริญวิปัสสนาหรือออกจากฌานแล้วกําหนดนามรูป วิธีที่1วิธีที่2กํกำหนดท่าสแบบพิสดารวิธีที่3าท่าสิวิธีที่4อายตนะ12วิธีที่5ขัน5วิธีที่6 น, นามรูปโดยย่อดีกาท่านเพิ่มให้อีก3ข้อ3ข้อคืออะไรบ้าง1อินทรีส์2สัจจะ3ปฏิจจสมุปบาท เพราะพวกนี้ก็อยู่ในนับเนื่องในวิปัสนาภูเหมือนกันโดยอินทรีย์เนี่ยนะอินทรีย์ที่เป็นรูปมีอะไรบ้างจัก1จักขุนศ2โสตินศรีคานินศรียีชีวหินศรีกายินศรีห6ชีวิตินศรียจอิทถินศรีแปปุริศิน4รีอินทรีย์ที่เป็นรูปมีอยู่8อินทรีย์8อย่างคือทั่วนนะ้น1ตา2หู3มจมกูก4ลิ้น5กาย6 ชีวิตเจ็ดภาวะที่เป็นอิทธิภาวะเก้าเออแปดปริศภาวะอันนี้เป็นอินทรีย์ที่เป็นรูปทั้งหลายส่วนอินทรีย์ที่เป็นนามธรรมทั้งหลายคืออะไรสุ ข, ขินซีทุกขิน C, ซีโสมนัสสินรีโทมนัสสินรียอุเบกขินซีเวทนาห้าก็เป็นนามเพราะเวอินทรีย์ที่เป็นเวทนาเนี่ยเป็นนามแล้วก็ชีวิตอินทรีย์เนี่ยเป็นนามครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งหนึ่ง เพราะว่านามชีวิตอินทรีย์และรูปชีวิตอินทรีย์ต่อไปอินทรีย์ที่เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพวกนี้ก็เป็นอินทรีย์ที่เป็นเป็นนา ม, มาธรรมก็มาแยกว่าอินทรีย์แปอินทรีย์8ดเป็นรูป น, นะหรืออีกในหนึ่งก็อินทรีย์เจ็ดครึ่งสิเนาะต้องเรียกว่าอินทรีย์เจดครึ่งเป็นรูป อินรีที่เหลือปกตินี้อินซีเนี่ยมียี่สองใช่ไหมเอาโลกุตระอินรีออกไปสามเหลือสิบเก้าสิบเก้าเนี่ยนะอินซีที่เป็นรูปเจ็ดครึ่งแล้วก็อินรีที่เป็นนามสิบเอ็ดครึ่งใช่ไมสิบเอ็ดครึ่งเป็นเป็นนามก็คือเวทนาห้าโดยเวทนานี้ห้าก่อนใช่หมโดยอะไรอีก ศัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอีก5ก็บวกกันเป็น10และชีวิตอินเซียนั้นเป็นครึ่งอ่ะมานินซีอีกหนึ่งนะเป็น 11. 11 11ครึ่งเป็นนามเจ็ 7. ครึ่งเป็นรูปรวมกันแล้วเป็นอินทรีย์19ก็อินรีย์19เหล่านี้สรุปลงมาก็เหลือเป็นรูปเป็นนามวิธีคิดอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องอินซีเนี่ยนะเช่นว่าโลกทวารตาของเขาเนี่ยนะ ใหญ่ที่สุดก็คือการเห็นนะโลกของการเห็นใหญ่ที่สุดคือต า, โ, อา opard, อ โ, อ โ, โลกของการได้ยินใหญ่ที่สุดคือหู OK, โลกของการรู้กลิ่นใหญ่ที่สุดคือจมูกโลกของการรู้รสนะยิ่งใหญ่ที่สุดคือเลนส์สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในการรับกระทบโพธภาษทั้งหมดคือกายใหญ่ที่สุดในเรื่องการคิดคือใจนะชีวิตก็ใหญ่ในการรักษา อิทธิภาวะก็ใหญ่ในความเป็นหญิงปุริสภาวะก็ใหญ่ในความเป็นชายสุขเวทนาก็ใหญ่ในการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขทุกขเวทนาก็ใหญ่ในการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกขเบขาเวทนาก็ใหญ่ในการเสวยอารมณ์ทั่วไปสุขเวทนาเนี่ยใหญ่ในการสุขทางกายทุกเวทนาก็ใหญ่ในการทุกทางกายโทมนัตเวทนาก็ใหญ่ในความทุกทางใจ โสมนัสเวทนาก็ใหญ่ในความสุขทางใจอุเบกขาเวทนาก็ปานกลางเนี่ยนะเสวยอารมณ์ที่ปานกลางใหญ่ในการสวยอารมณ์ทั่วไปส่วนศรัทธาก็ใหญ่ในความความเชื่อวิริยะก็เป็นใหญ่ในการความภาคเพียรสติก็ใหญ่ในความไม่หลงลืม น, นะนะือตั้งมั่นสมาธิก็ใหญ่ในความอาวิเคปะไม่ฟุ้งซ่านปัญญาก็ใหญ่ในการเห็นเนี่ยนะเป็นใหญ่ในการเห็น นามธรรมทั้งหลายพวกนี้ก็ใหญ่นะทั้งนามธรรมรู ป, ปรธรรมที่เป็นอินทรีย์ก็เป็นของใหญ่เฉพาะตัวเฉพาะตัวไปส่วนต่อไปดิกาท่านให้พิจารณานามรูปโดยสัจจะสัจจะสัจะสจะที่เป็นนิโรสัจจะกามคสัจจะจงยกไว้ก่อนนยะยกไว้ก่อนก็เหลือสัจจะสองคือทุกขสัจกับสมุทยัยสัจอันนะั้เอา สมุทยมีอันเดียวคือโลภะที่เหลือทั้งหมดเป็นทุกขสัจจะสรุปนะในชีวิตทุกคนที่นั่งนั่งกันอยู่นะได้สัจจะสองทุกขสัจกับสมุทยัยสัจถ้ามีพระอริยะก็ได้อีกสามสัจจะคือมัคคสัจจะถ้าเป็นพระอริยะนะถ้าไม่ใช่พระอริยเนี่ยที่เรากําลังเจริญอยู่นี่จริงๆก็เป็นทุกขสัจทั้งหมดนะเพราะว่ามัคคสัจจะต้องเป็นขณะสติเป็นต้นในขณะมัคคจิต เนี่ยนะจึงจะเป็นมรรคสัตว์จะส่วนสติที่เกิดร่วมกับโลกิยาจิตเป็นทุกขสัตย์หมดเลยองค์มรรคทั้งหลายที่เกิดร่วมกับโลกิยาสัจจะเป็นทุกขสัจจะเนี่ยนะเป็นทุกขสัตย์เพราะฉะนั้นทุกขสัตย์เหล่านี้เนี่ยนะก็ว่าโดยย่อกองทุกเหล่านี้ก็คือขันห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทุกขสัตย์ก็คืออุปาทานขันห้าตัวอุปาทานนั่นแหละเป็น สมุทัยสัจจะอุปาทานนี่เป็นสมุทัยสัจจะขันห้าเป็นทุกขสัจจะอุปาทานขันห้าเนี่ยสับนี้รวมทั้งทุกขสัจและสมุทัยสัจจะรูปประขันก็เป็นรูปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันก็เป็นนามสมุไทยก็เป็นนามทุกขสัจจะเป็นทั้งรูปทั้งนามสมุทัยสัจจะเป็นนามอย่างอย่างเดียวทีนี้โดยปฏิจจสมุปาทบ้าง โดยปฏิจจสมุปาฏิเนนะอวิชชาเป็นนามธรรมสังขารก็เป็นนามธรรมวิญญาณเป็นนามนามรูปนามเป็นนามรูปเป็นรูปอันนี้ง่ายมากใช่ต่อไปสลายตระนะล่ะอายตะนะห้าเป็นรูปอายตนะที่หกเป็นนามอายตนะห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปอายตนะคือใจเป็นนามภาษาเวทนา ภาษะเวทนาตันหาอุปาทานกรรมาพบพวกนี้เป็นนามอุปติพบบางอย่างเป็นนามบางอย่างเป็นรูปชาติครึ่งเอ่อบางอย่างเป็นรูปบางอย่างเป็นนามชรามรณะบางอย่างก็เป็นรูปบางอย่างก็เป็นนามสรุปก็คือรูปนามนั่นแหละเอ่อมาไล่ไ่คือก็ให้ให้เห็นว่าอวิชชาสังขารเป็นชีวิตในอดีตตัวในอดีตที่เป็นปัจจัยให้เนี่ยก็คือเป็นนามธรรมอ่ะนะ ทำในอดีตทั้งหลายอาวิชาความไม่รู้ในอดีตก็เป็นนามธรรมชีวิตในปัจจุบันก็เป็นโดยก็เป็นไปทั้งนามธรรมและรูปธรรมนามบางอย่างก็เป็นเหตุนามบางอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีนามธรรมและรูปธรรมต่อไปในพบต่อไปเพราะกระแสแห่งสังสารวัตรก็คือปฏิจจสมุปบาทกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏที่ไหลสืบเนื่องกันไปสิ่งที่ไหลสืบเนื่องกันไปก็เป็นรูปเป็นนามนั่นแหละกระแสแห่งรูปแห่งนามที่ไหลไปไม่ ขาดสายกระแสแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจย ไ, ไหลไปไม่ขาดสายก็เคือเรียกว่ากระแสแห่งวัตทุก์กระแสแห่งสังสารธาตุกระแสเหล่านี้เนี่ยนะย่อย่อที่สุดก็คือรูปนามใช่ไหมถ้าขยายจากรูปนามให้พิสดารกว่านั้นก็เป็นอะไรเป็นขันห้ากระจายเพิ่มไปอีกก็เป็นอายตนาสิบสองขยายเพิ่มอีกก็เป็นธาตุสิบแปดขยายเพิ่มไปกว่ า, ยาย น, นั้นก็ธาตุสี่สิบสองและวิเคราะห์เหล่านั้นโดยความเป็นภูตรูปและ อุปาทัยรูปมันก็ต้องเป็นนักย่อนักขยายธรรมะเหล่านี้ในชีวิตที่เป็นจริงให้ได้ถ้าใครทําได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะหรือปฏิบัติอยู่ในทิฏฐิวิสุทธิที่เขาบอกว่าเอ๊ะนามรูปปริเฉทญาณก็ไม่ง่ายสักเท่าไหร่เนี่ยนะไม่ง่ายสักเท่าไหร่ก็คือเพราะว่าการซ้อมมันน้อยเมื่อซ้อมน้อยการใคร้ครวญ น, น้อยก็ยาก จริงๆแล้วถ้ามีความเข้าใจเพียงพอหรือเป็นอย่างดีจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าเอามาโย่เอามาขยายเอามาจำแนกเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้ปัญญาได้ทำได้ขยันขึ้น น, นะปัญญาเขาตอนนี้เขาไม่ค่อยขยันนักเกินอุดมากเพราะนิวรณ์ทําให้หมดกำลังหมดเรี่ยวหมดแรงไปหมดเพราะฉะนั้นวิชาเหล่านี้นะเพื่อให้ปัญญาเนี่ยได้ได้ตื่นตัวขึ้นมาทํากิจของตนของตนบอกท่านอย่าหลับมากนักสิเนี่ยนะก็ขึ้นมาขยันขยันหน่อย ทำงานหน่อยอย่างเงี้ยนะก็ทำงานจะได้วิเคราะห์แบบนี้ให้มากๆให้บ่อยๆขึ้นแต่อย่างว่านะผู้ที่ไม่ใฝ่เรื่องปัญญาบอกโอ้โหอะไรอนยะ่เน้อฟังแล้วปวดหัวไปหมดเลยอย่างเงี้ยไงยังไงก็อย่าแ ก, ากปวดหัวก็แลนะ้กรรวกันกินพาลาก็แล้วกันที่ฝึกหน้าคิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็คือในทวารสมมติว่าในในโลกของทวารตาที่เราลืมตาดูนะถ้าเรามาฝึกคิดแบบโลกสิบแปดก็น่าจะดีใช่ไหมทำหนึ่งที่พระ อ, องค์สอนให้กําหนดรู้คืออะไร ภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเยอนะภาษะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะคือทำหนึ่งที่พระองค์ให้กําหนดรู้ใช่ไหมทีนี้ถ้าทำสองอ่ะที่ลืมตาเห็นนี่มีอะไรนามกับรูปทำสามเวทนาสามเพราะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามถึงเห็นแล้วเห็นสีตอนนี้ดีใจนะตอนหลังก็นํามาซึ่งความเสียใจไอเห็นแล้วเสียใจนะเดี๋ยวตอนหลังก็ดีใจอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างอารมณ์ในโลกนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสาม ตามเห็นเนี่ยดำรงอยู่ด้วยอาหารสี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตาเนี่ยนะขาดกะปลิงกะราหารรูปที่นั่งนั่งกันอยู่ล้าขาดกะปลิงกะราหารเป็นยังไงไม่ไหวแน่นะ <S <S แล้วถ้าหากว่าขาดผัสสะหารเวทนาจะเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าขาดมโนสันเจตนาหารนามรูปจะเป็นไปได้ไหมขันห้าจะเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้ถ้าขาดวิญญาณอาหารนามรูปเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะะที่เห็นเนี่ยเป็นไปได้เพราะอาศัยปัจจัยคืออาหารสี่ดำรงอยู่ ถ้แยกไปแล้วก็คือขันห้าใช่ไหมตากับสีเป็นรูปประขันเวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเห็นเป็นเวทนาขันความสําคัญหมายเป็นสัญญาขันเจตนาเป็นสังขารขันจิตเห็นเป็นวิญญาณขันนั้นการเห็นก็คือขันอายตนาธาตุนั่นแหละประชุมกันแล้วพวกออของเราทั้งหลายก็เป็นประเภทปฏิสนธิจิตต่างกันแล้วก็มีรู ป, ปกายที่ต่างกันแต่ทุกคนเหมือนกันคือรับโลกธรรม8 ที่นั่งกันอยู่นี่แล้วโลกจะทำแปดอะไรบ้างเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวเขาก็ชมเดี๋ยวเขาก็ด่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนด่าเสร็จแล้วก็ชมชมเสร็จแล้วก็ด่าก็สลับกันอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เข้าพวกมีพวกมากเดี๋ยวก็งอยอยู่คนเดียวอย่างงี้ยนะเดี๋ยวก็ยศเสื่อมยศเดี๋ยวก็ตอนนี้เดี๋ยวจะได้ราบแล้วเพราะสิบเอโมงแล้วอย่างงี้ยนะไอ้คำว่าราบก็คือการได้ปัจจัย4นั่นแหละเรียกว่าราบเดี๋ยวก็จะได้เพิ่มราบกันนะนะแต่ว่าเสื่่ออมมมราบันกก็ยูล ใก้นะสุขทุกลาบลาบเสือเส่อมลาบยศเสื่อมยศนันะแล้วก็นินทากับสรรเสริญพวกนี้ก็เป็นไปกับโลกธรรมแปดโลกธรรมแปดเหล่านี้เนี่ยอยู่ในไหก็ที่อยู่คือสัตวว่าตก็เป็นไปกับอายตนะ10อายตนะ12ก็โลกของท่า18ก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็ต้องเอามาคิดอย่างนี้ให้เห็นธรรมะเหล่านี้ในชีวิตที่เป็นจริงมาก ทำได้มากเท่าไหร่อันนี้แหละเป็นทิฏฐิวิสุทธิที่เราจะต้องเจริญเจริญอะไรตกลงเจริญปัญญาให้มีความเห็นแบบนี้นนว่าความเห็นแบบนี้ดีความเห็นแบบนี้นำออกจากทุกได้อันนี้เรียกว่าอธิธปัญญาสิกขาตอนนี้ก็จับใจความโดยสรุปว่าเจริญทิฏฐิตัวนี้แต่ทิฏฐิตัวนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่นาออกจากทุกเป็นทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อประหาร มิจฉาทิฏฐิเพราะฉนั้นทิฏฐิตัวนี้คือข้อปฏิบัติอันนี้พูดถึงมรรคข้อที่หนึ่งเป็นหลักก่อนเพราะว่ามรรคข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิแต่ว่าสมัยใหม่เขาชอบเจริญมรรคที่เจ็ดที่แปดไปเลยเห็นไน้มเชื่อไหมเน้นสัมมาสติกับเน้นสัมมาส ม, มาธิเนี่ยนะขายอยู่สองมรรคแต่ว่าสัมมาทิฏฐิก็ปฏิเสธบางทีปฏิเสธสัมมาสังกัปปะด้วยนะ สัมมาวาจาศินไม่จําเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะโอ้ยไม่ต้องพยายามหรอกแล้วแต่มันจะเกิดอย่างนี้ก็ยุ่งมากเลยนะเพราะฉะนั้นมรคข้อ1ถึงข้อ6เนี่ยโอ้ยถูกเขาถมอะไรนะถูกเขาตัดทิ้งหมดเลยนะเหลืออยู่มรค2มรคเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่ครบองค์8บรรลุไม่ได้หรอกอันนี้ก็เราขึ้นมรคข้อที่1ก่อนนะส่วนมรคข้อต่อๆไปก็จะเคให้กล่าวไปทีนี้มรคข้อที่หนึ่งประเภทการทำยาตะปริญญาการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ อันนี้ก็ได้เวลาเจริญโลกธรรมแล้วคนละมักนะโลกธรรมไม่ใช่มัก